เดนมาร์กเป็นประเทศหนึ่งในแถบยุโรปเหนือมีปราสาทเก่าแก่มากมายแต่ถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วละก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักในความขึ้นชื่อของเรื่องผีปราสาทแห่งนี้มีชื่อว่า Black Home Slot ซึ่งคำว่า Slot ในภาษาเดนมาร์กแปลว่าปราสาทนั่นเองปราสาทแห่งนี้สร้างเมื่อศตวตรรษที่12 โดยสังฆราชลอสคิวเดเมื่อสร้างเสร็จก็ใช้สำหรับเป็นที่ประทับของกษัตริย์และครอบครัวของขุนนางที่มีชื่อเสียงหลายตระกูลจนเมื่อมาถึงปีคศ1939ปราสาทแห่งนี้ก็ได้ตกมาเป็นของตระกูลบอ์เชอร์และได้มีการดัดแปลงให้เป็นโรงแรมซึ่งมีขนาด28ห้องแล้วยังปรับปรุงจากพื้นที่ป่าเดิมที่เคยรกทึบ ให้เป็นเหมือนโวนะอุทยานมีแม้กระหั่งลงภาพยนต์ด้วยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเกือบพันปีและเคยเป็นคุกขังนักโทษมาก่อนเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวของพูดผีวิญญาณอยู่ในที่แห่งนี้อย่างมากมายแต่ตำนานเรื่องผีที่มีการกล่าวถึงกันมากมีเพียงแค่สามรายเท่านั้น 1. ผีแม่บ้านชุดเทา กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งผู้หญิงที่เคยเป็นแม่บ้านอยู่ในปราสาทภู้นีเธอมีโรคประจําตัวซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับอาการปวดฟันอย่างรุนแรงเธอต้องเจ็บปวดทนทุกทรมานกับโรคนี้เป็นอย่างมากทุกคนภายในปราสาทพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือเธอหมอที่ว่าเก่งๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ถูกตามตัวมารักษาจนหมดจนในที่สุด เธอก็หายจากอาการปวดฟันและเมื่อวันหนึ่งเมื่อเธอได้เสียชีวิตลงเธอก็ยังไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ภายในปราสาททุกๆคืนเพื่อ ค, คอยทำหน้าที่แม่บ้านดูแลการงานเหมือนเดิมดังที่เคยทำมาเพื่อตอบแทนให้ทุกคนพยายามช่วยเหลือเธอในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีว่าแม่บ้านชุดเฮาคนนี้ ไม่เคยจะมาปรากฏร่างหรือหลอกหลอนผู้คนให้หวาดกลัวสักเท่าไรนักต่างจากสองลายที่เหลือ 2. ผีคุณผู้หญิงชุดขาววิญญาณชุดขาวนี้เธอเป็นลูกสาวของอดีตเจ้าของปราสาทนี้เมื่อเธอโตเป็นสาวเธอได้ตกหลุมรักกับคนงานคนหนึ่งในปราสาทซึ่งในสมัยนั้นยังถือเรื่องชนชั้นวั น, นะเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้น เป็นถึงลูกสาวของคุณนางผู้สูงส่งและมัง่งคั่งแต่ทว่าผู้ชายเป็นแค่ลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งการคบหากันของคู่รักคู่นี้จึงต้องปกปิดเป็นความลับเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดความลับก็ต้องถูกเปิดเผยเมื่อพ่อของเธอได้รู้เรื่องนี้เข้าพ่อของเธอกโกรธและโมโหเป็นอย่างมากจึงสั่งลงโทษลูกสาวของตนเองอย่างรุนแรง โดยการจับไปคุมขังไว้ในห้องทึบอันมืดมิดไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันจนกระทั่งเธอนั้นได้ตรอมใจตายภายในห้องขังของปราสาทในที่สุดส่วนชะตาของชายหนุ่มที่บังอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้านั้นไม่มีใครรู้ว่าเป็นเช่นไรหลังจากการเสียชีวิตของเธอไม่นานก็ได้มีคนพบเห็นวิ ญ, ญญาณของเด็กสาวในชุดขาวตามระเบียง และทางเดินต่างๆในปราสาทอยู่เป็นประจำและหลังจากนั้นในช่วงประมาณปีคศ1932ถึง1942เจ้าของปราสาทในเวลานั้นก็ได้มีการสั่งให้คนงานรื้อผนังกำแพงเก่าบางส่วนออกเพื่อที่จะสร้างห้องน้ำใหม่ทำให้คนงานก่อสร้างต้องพบเจอกับภาพสยองขวัญ เมื่อเขาได้ทุบซอกเล็กๆในกำแพงช่วงหนึ่งออกเขาได้เจอกับโครงกระดูกโครงหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งเป็นโครงกระดูกของคนร่างเล็กสวมใส่ชุดสีขาวและเป็นชุดเดียว ก, กันกับที่เคยมีคนเห็นชุดนี้ล่องรอยไปตามส่วนต่างๆของปราสาทให้คนตกใจเล่นอยู่เสมอๆแม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีคนเห็นอยู่เป็นประจำา ท่านเอลแห่งโบสเวลไม่ปรากฏชัดเจนว่าท่านเอลคนนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุก ข, ของประสาทแรกโฮมในฐานะนักโทษด้วยเหตุใดดูแต่ว่าเขาถูกจองจำอยู่เป็นเวลานานถึงห้าปีจนเสียชีวิตในห้องขังในช่วงปีคศ1578ดส15 78, ด้วยความแค้นของเขาที่ต้องตกเป็นนักโทษในประสาท ทำให้สภาพจิตใจของเขาตกต่ำถึงขีดสุดจนทําให้คลุ้มคลั่งและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นบ้าเพราะเอิร์ธเฮงโบสเวลคนนี้เสียชีวิตลงเขาก็กลายมาเป็นผีที่ออกมาตระเวีนห้องเที่ยวในปราสาทอย่างสุขสํำราญทุกคนที่มาพักที่ปราสาทแห่งนี้มักจะได้ยินเสียงปีเท้าของมา้าและรถมา้าวิ่งไปตามสนามกว้างของปราสาท แต่เมื่อโครหน้าออกไปดูกลับพบแต่ความว่างเปล่าปราสาทเด็กโฮมแห่งนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดากลุ่มคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณและอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นอย่างมากทำให้บรรดานักล่าผีเหล่านี้พากันมาแห่จองห้องพักต่อกันเป็นแถวตรงกันข้ามกับบ้านเราซึ่งถ้าหากมีเรื่องผีอยู่ในโรงแรมแบบนี้แล้วล่ะก็ คงจะต้องปิดเรื่องหนีไม่ให้ใครรู้เพราะคงไม่มีใครกล้าเข้ามาพักอยู่อาศัยอย่างแน่นอนสยองกันพอหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e แล้วเราจะกลับมาสยองกันอีก สมภัสสย